ถ้าพูดปฏิบัติเนีน้องคนเนี่ไม่ได้พูดมากพ้าพูดสั้นๆก็พูดมากถ้าพูดปฏิบัติปฏิบัติง่ายๆคือปฏิบัติใจไม่ให้มีโทษไม่เดินแยกใจไม่มีทานาวัตสีวัตสาวานาวัตพุทธคำสองผูก ข, ขาดอยู่ในใจได้มันก็พอนัอ้นดําเนินไปไปจังวะไปจังหวะอยู่ทุกวันเวลานอนหลับคาลม ท, ท, ท้องจะถอเวลานั่งจะนั่งพับเพียบหรือจะนั่งัำสมาธิ หรอจนังยังไงก็แล้วแต่ความสะดวกไปในรถในเรือภาวนาไดทั้งนั้นนั่งห้อยท่านั่ ง, งยองหรือกําลังถ่ายวาิญญาณถ่ายะวัตถุออกดูก็ภาวนาอะไรทั้งนั้นกาลังกําลังเคี่ยวอาหารกําลังตืน่นก็ภาวนาอะไรทั้งนั้นน่าจสะดวกทุกอริยาบทแล้วก็แต่หลักเสียบางพีเราหนักในภาวนาเราไปก็หลับเราภาวนาก็เลยเลยวัด ขวัญว่าภาวนาก็มีทีนี้เวลาภาวนาของเรายังมีเวลาให้ใจเข้าออกของเรายัางมีเวลาภาวนาเราก็ต้องมีนอกจากทำท่าทำทางเร า, เราเดินเราเดินเรานั่งเรานอนดังนั้นขณะขวดขณะนอนเราที่เป็นสมาธิเป็นไหมครับเป็นนั่นแหละมันเป็นง่ายขณะนอนหลับเป็นสมาธินรา น, นอนหลับคาสมาธิาพระบรมาสารีริกธาว่านอนจึงหาสยายญานอนเหมือนราชสี นอนหงายนอนนอนเหมือนเปรตนอนตะแคงข้างท้ายเป็นนอนในกรรมอารมณ์จะพูด่งั้นพระบรมศาสดาแต่เราจะสาคตไม่รู้อย่างนั้นนอนที่ไหนก็ตามสาคตนอนหลับาภาวนาพระบรมศาสดาตอนตอนตอนหัดภาวนาใหม่ใหมเอ๊ะทำไมมันเราหลับแล้วหรือเราตื่นแบบหลับก็ไม่ใช่ตื่นก็ไม่ใช่มันรู้ตัวตลอดเวลา ไในขณะนอนหลับคง ส, สมาธิในแบั้นสมาธิเก่งสมาธิเก่งเมื่อมันตื่นขึ้นมันก็รู้จักว่ามันภาวน า, าเออกู้ตื่นขึ้นมาเนี่ยกู้ภาวนาอะไรกู้หลับวันนี้อันนั้นสติไม่เก่งเนอะ ถ, ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วมันติดต่อของมันเองสอติเก่งเหลือเกินนะเมื่อสติเก่งสมาธิก็เก่ ง, กกงปัญญาก็เก่งตัว ใ, ใกล้ค้นทางเข้าสู่พระนิพพานเนาะทานชิ้นภาวนาอะไรรว ล, ลงไปสิชิ้นนั้นลดละ คับรถมันก็เป็นสมาธิบางทีมันก็กรู้ไปตลอดอะไถูกก<อ>็ก็ได้ใช่ไหมครับได้แต่ท้งนั้นไม่ไม่ไมได้ผิดเพราะบางองค์ก็กำลังไปวิญธาบาศบางองค์กาลังถ่ายอุจจระบางองค์ก็กาลังถ่าาวะบางองค์ก็กาลังนั่งกับางองค์บางองค์กาลังนอนบางองค์ก็กลังเดินนทยาบทเดินเดินนั่งนอนนอนไม่พไม่หลับ ยืนเดินนั่งนอนสำเร็จพอหลังได้ทางนั้นวิทยาบทยืนเดินนั่งนอนก็สามารถทำบาปได้ทางนั้นเพราะมันนึกไปถูกมไหมถ้าจะไปเลือกยามอยู่มันก็ไม่เท่ากับมันมันก็ไปทำบาปเหมือนกันถ้าบาปมันทำได้ทุกวิทยาบทนีอนมันก็ทำได้เพราะมันนึกไปเบียดเบียนเขามันนึกปวดเขามันนึกไปเบียดเบียนเขาถ้านอนภาวนามันก็ได้เหมือนกันระคาภาวนานั่นเอง อันสมาธิเนี่ยท่านทําสมาธิขาวขวาทับขาซ้ายต้องกายให้ตรงนะรองสติให้ว่างนะนั้นทําเป็นพิธีในสังคมเฉยๆหรอกส่วนดูแต่พระองค์พระองค์ทําตามธรมรมดาร่างทั้ืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งรทั้งตื่นถ้ามีมีเวลาหายใจคออกยู่ก็มีเวลาจะภาวนาได้ทั้งนั้นทั้งพูดอย่างนั้นไม่แม่แต่เราไม่ต้องการเราต้องการเวลาไหนก็ต้องภาวนาได้เวลานั้นเหมือนรถ เดี๋เราไม่เคยมีรถดอกถ้า <c oughs> ต้องการจะไปก <c oughs> ติดไฟเวลาไหนก็ให้มันได้เวลานั้นห้ามเบรกในเวลาไหนก็ต้งให้มันในเวลานั้นฉะนั้นก็ดีคิตใจของเราต้องการเข้าสมาธิเวลาไหนก็ให้ได้ทางนั้น <c oughs> ต้องการจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ได้ทางนั้นรถมันจึงทำกับเวลาจิตใจของเราก็เหมือนกันจะไปหาแต่ว่านั่งสมาธิ จ, จะภาวนาได้มันคงงุ่เกินไปพระพุทธเจ้าไม่สอนอย่างนั้นอยักแข้งหยักขาอยู่ก็หมาว่า เดินไปในป่าก็ไม่วา่าแล้วก็คนหนึ่งก็กําลังดย้ย้าออกจากสวนได้ตายได้มาก็ภาวนาพุทธโธพุทธโธก็ก็ไ ด, ด, ด, ดย้ ย, ย่าแล้วก็เสียมอยู่ในนครเชียงใหม่สมัยหลวงปู่มัน่นทีนี้มันรวมพึบลงเลยวาง <c oughs> รวมพึบเลยวางถ้ามันถอนออกาไีก็เลยทำยํำดีที พอมาพุทธโมันเกาะได้ทั้งนั้นหลวงปู่มั่นขับขี่รถตั้งแต่กรุงเทพไปันถึงนครเชียใหม่วันนั่งพอเรารวมหายใจเข้าออกวังนั้นเราเราไปในรถในเรือกรนะเฝานาังนั้นรวมหายใจเข้าออกดึงธรรมาฐานทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ได้หมดรวมหายใจเข้าออกเป็นแม่เหล็กค่ายปักชิดเหนือ เชื้อทิทั้งหลายก็เชีย่ยไปในทิศเหนือลมหายใจเข้าออกค่ะครับแนะนามหาสมุทรทะเลแนะนาพวอหน่องของมือบางต่างมมันก็ไหลลงไปรวมนั่นกุศลผลบุญทั้งหลายก็ได้ไหลลงไปรวมนั่นเท่นั้นเหมือนกันอะไรอะไรก็เหมือนกันเราจับมันนั่นได้แล้วมันก็พิการณอาอะไรมันก็ไม่สงสัยคนแก่แกบตายก็มีอยู่ท่กลมหายใจเข้าออกโรคกวดหลงก็มีอยู่ทุกลมห้ใจเขาออก ในลบไม่โล่ไม่หลบก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเขาออกศีลสมาธิปัญญาก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเขาออกคุณมีดาบรรดาปุญยากตาทวดคุณพุทธธรรมสงฆ์ก็มีทุกลมให้ใจเขาออกถ้าปัจจัยโลกธาตุก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเขาออกความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเขาออกผู้หลงก็หลงมีอยู่ทุกลมให้ใจเขาออกผู้พยายามไม่หลงก็ไม่พยายามอยู่ทุกลมให้ใจเขาออกจับอันนี้ถูกแล้วมันก็ถูกหมดผู้เป็นมัศดาบันก็เป็นอยู่ทุกลมให้ใจเขาออกผู้เป็นชสกทาคามีก็เป็นอยู่ทุกลมให้ขอ ผู้เป็นพ่อนาคามีก็เป็นอยู่ทุกลมให้ใจเขาออกผู้เป็นพ่อรหารก็เป็นอยู่ทุกลมให้ใจเขาออกผู้ไปทางผิดเถือมีบาปมีบุญก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเขาออกนั่นถ้ามันพลิกไปทางถูกมันก็จะถูกหมดถ้าพิกไปทางผิดมันก็ต้องผิดหมดเห็นแค่นั้นท่านยังว่าลมให้ใจเขาออกเป็นมงกุตของธรรมฐานของพระพุทธศาสนาเนะี่ยธรรมธรรมฐ า, านใดใดทั้งปวงเป็นเมืองขึ้นของลมให้ใจเขาออกเห็นเหรอลมให้ใจเขาออก เราเห็นทุกครั้งอนิจจังอนัตตาพ่อเขาลมหายใจเข้าออกพอเราบัญญัติเราลมลมหายใจเข้ามันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วมันล่วงไปแล้วพอเราบัญญัติว่ากลางลมมันก็ล่วงไปแล้วพอเราบัญญัติเราต้นลมมันก็ล่วงไปแล้วนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังด้วยกันเห็นทุกครั้งอนัตตาพ้อกันเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาพ้อกันกขาลมหายใจเข้าออันนี้เป็นภาวนาวิปัสสนาปัญญาพร้อมกับสมาธิแต่ว่าปัญญาอารมสมาธิ หรือจะว่าสมาธิอบรมปัญญาก็ถูกหรือจะว่าสติสมาธิอบรมกันก็ถูกหรือจะว่าสิ่สมาธิปัญญาอบรมอบรมกันก็ถูกเพราะมันอาศัยเชื่อกันและกันอยู่ในขณะเดียวนั้นเราลืมตาอย่างนี้พับอย่างนี้มันเหตุกับผลเหตุที่มันลืมตาผลที่เห็นมันก็ไม่มีในก่อนในหลังมันรวมกันอยู่ขณะเดียวนะคนขณะนี้เราไม่หลงหรอก าาเอาล่ะไปเถอะเป็นมาดอกพวกพิมพ์พอเอาไปเป็นบ้ามันขึ้นอาจารย์เดิมไปเห็นนิมิตนิมมอยไปเห็นอะไรเห็นเทวุฒเทวดาไปแล้วไ ป, ปไม่ลืมพื้นเพื่อ ไ, ไปไปเห็นอันนั้นอันนี้แสงเดือนแสงดาวอะไรไปที่นี่ที่นี่เขาลืมสติไปกขเป็นว่าเชือกขาดที่นี่หาอะไรอะไรไม่มีที่อยู่ก็คือมาตั้งมาหาอาจารย์เดิมตั้งใหม่อีกไอ้ที่แท้สิ่งที่เราเห็นทั้งหลายเนี่ มันเป็นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วแม้แต่กรรมฐานที่เราตั้งไว้มันก็เป็นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วเรื่ออื่นที่มา่อยมาพาดไหนจะไม่เป็นนะเราย่ยนโลกลงมาในปัจจุบันย่นสังขารลงมาในปัจจุบันย่นทุกข์ลงมามาในปัจจุบันเพราะคนลงเข้าลงออกเป็นเอกระทุกขเมื่อเราเห็นลงเข้าลงออกเป็นเอกระทุกในปัจจุบันเนี่ยโลกไหนๆเราก็ไม่สงสัยอีกสังขารนใดๆเราก็ไม่สงสัยทีนี้เราก็เส้คนความสงสัยในโลกทั้งปวง เมื่อเขาเราสิ้นความสช้ความสงใสัยในโลกทังปวงว่าโลกทังปวงเต็มไปด้วยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแล้วที่นี่ความบุญงามะความนายัยความถ ท, า ย, ออทายาทายาทความกระเสกะสนของเรามันก็ห้ามเบรกเองมันไม่หาไ ม, ไม่หาว่าแต่จะได้จับตั้งท่ามันเช่นเขาเราเรืมตาเลยไม่ตั้งท่าให้มันเห็นมันก็เห็นนันโอ้เหม็นที่วิ่งจริงๆนั่นแนะ่ะ บ, บุพกรรมบุพกรรมหลวงปู่บุพกรรมหลวงปู่ได้เคยไปถ่ายอุจาระ ใส่แฉลบฝ่ายของพี่สาวพี่สาวประจากษ์เต็มมือนี่โอ้ไอ้หน้ามันมาที่แผลแฉลบฝ่ายของพี่เท่านั้นแหละพี่สาวคนนั้นอันนั้นเวียนอันนั้นแหละมันตามมาอยู่นี่แต่ตอนมีมีมี ข, ข้าวสองตัวมาอยู่นี่มันก็มีมากขึ้นพราวกมัน ม, มีอะไรทําลายมันเนี่ยปมันก็เลยเหม็นประจําอยู่ยนี้เคยได้เคยได้ไปถ่ายอุจจระใกล้ทางเหมือนกัน เลยเป็นเด็กตื่นดึงดึแล้วถ่ายก็ใกล้ทางเขา <c oughs> บางทีก็ถ่ายได้แล้วเอาดินโผล่มาให้เขาเหยียบีนละเวียนอันนั้นมันตามมาอยู่นี่ <c oughs> โอ้นั่งตามข้าวเข้ า, าถูกข้าวถุกม่ได้ผ่านตามมานู่งเรียพวกลูกหลา น, นมันก็ได้ไปขี่ใกล้ทางม่เนี่ยถ้าไม่ชาตินี่เพรชาติก่อนมันก็ตามมาเหมือนกันเนื้อ มันยังมาหมดจึงได้มาาดมกับลูง ป, ปู่เป็นบางข้าวบางข้าวเนี่ลูกปู่มีกรรมมากกว่าลูกๆหลานจึงได้โดมเป็นเน็ตเนี่ยถ้าเราดูฝนมันมาทางนั้นถ้าเราดูหนาวมันลมภาคตาวนี้มันออกนะันไม่ไม่เหม็นแ ล, ละดูหนาวจะตั้งแต่เดือนขอควาสาไปแล่ะขอวสาไปแรกเจนถึงเดือน5้ามันจะกลับคื้นมา กินเพรามันเพรานเหม้นอยู่อย่างนี้ตลอดใครก็อยู่มาไว้ละ mm. นี่พระพุทธรูปมันใช่หลวงปูสร้างเน้อเนี่ยหลวงปู่มามาแสงมาพุทธรูบอยู่อย่างานี้ mm. ของเดิมที่นี่ของเดิมทํามานานแล้วหลวงปู่ไม่ใช่นักก่อสร้างเนอ้อหลวงปูมาอยู่นี่นี่น่าที่แรกชาลาสร้างมาอยู่นี่สามปีทีนี่เขาก็มาถ่ายนี่อีกสามปี นั่นน่ะนลอยต่อนะนั่นน่ะนั่นลอยต่อแล้วก็าตอกไปนะั่นอีกปีหนึ่งเนี่ยมันไม่พออยู่เขากระตอกไปนะั่นอีกปีหนึ่งอีกแลก้วเขากอะอกไปนะั่นอีกยังไม่พออยู่ทีนี้อยู่ที่แรกมันทุกจะตายก่อนหน้า ม, มากสิบสองปีดังเห็นในรูปน่ะเห็นไหมอืมอันนังไม่จบใช่ไหมจบันไม่เจ้าดอกเืนเดียวมัเจ้าดอก <laughs> จะพูดยังไงก็พูดสินีนานๆจึงจะได้เห็นเงินหรือไม่มีสิ่งที่สงสัยก็ไมาต้องพูดจะสงสัยอะไรครับพวกเราทำประสงค์อยู่แต่ที่ใจแล้วล็อกปูมันรูบายเขารังปูมันเดีกก๋ยวเดี๋ยวกบหลวงพ่อหลวงพ่อเดินทําไมเดินอยู่เชียงใหม่เราเดินหาพุทโอเราพุทธโธเราไหายเห็นไหมเราห ล, ลวงพ่อเห็นเห็นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจ มันหายออกไปจากไหนหลวงพ่อมันก็หายออกไปจากใจถ้าเห็นมันก็เห็นอยู่ที่ใจกูศโลธรรมโอธรรมโกเด็กเด็กยังควายเด็กยังควายทำทำหลวงปู่มั่นอุบายของหลวงปู่มั่นสำคัญมากพวกเราก็ไม่ซ่อเขงสัยดอกต้องสัยทําไมผีไม่มีแกผู้ไม่ถือบาปไม่มีแกผู้ไม่ทำและบาปบำเป็นบุญ้าใจเป็นหัวหน้าจะสร้างบาปขึ้นพอใจเป็นหัวหน้า ใจพามันสร้างมันจะสร้างอะไรหรือมือนี่เนาะอะไรก็อะไรก็เหมือนกันทีนี้ข้ขอสำคัญยังมีอยู่อีกทีนี้เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องหักพาวนหเมื่อเวลาเราใกล้จะตายีก็ขอขอเชิญขอเชิญเอาห น, น้ามาให้รื่มด้วย ทรงกร็รอนามาเก็บอุจจาระปัสสวะให้ด้วยมาพยงตัวให้เพียรด้วยมาชูตัวให้ยืนขึด้วยอันนี้มันสาคัญเนอะอันนี้มันสาคัญพราพูดได้อยู่ทีนี้พี่น้องพี่น้องพี่น้องพูดก็พูดไม่ได้พี่น้องฝากพี่น้องวาจาพูดไม่ได้พี่น้องกายก็กระดิกไม่ได้ขนาดนี้ย่างตัวตัวคนเดียวตัวนี้ เที่พืของตัวเเข้าจนมุมละสินี่นี่ภาวนาถูกก็ถูกภาวนาไม่ถูกก็ไปใหญ่เนอเนี่นี่แหละข้อสำคัญเลเหตุนันจึงหาเนี่ยเข้า ใ, มใจมหมทีครับ <laughs> ลูกทิศลปูเทศทาไมไม่เข้าใจ <laughs> ลูกทิลบปูมหาทาไมไม่เข้าใจต้องเข้าใจไปเอาละทีนี้คนท<อ>ุกุกหน้า ท, ทุกทโมซงโกทีนี้ออกจากนี่อะไรกัไปไหนผมว่าจะไปกลาง หลงปู่จาเนี่ยครับเออไปเอาไปทางนี้ไปทางนี้แ่เหมือนกันขอเครื่องตัวที่มัในใจท่้งบ เ, <อ>เดี๋ยวเดียวครับเอเออเออเออเอเอเดี๋ยวขอเดีในใน๋ยวขอหลวงปู่ถ้าใ่แลน่แล้วอันก็พระเอาลงมาให้ไม่ได้้หรือรจะกขึ้นแปล อมขึ้นไปเอามันก็ไม่หน่อยเกินไปดีอันนี้มันต้องเอาขึ้นไปข้างบนเนื้อหน่เนาะข้างล่างมันก็พลอยใช่เนี่เอาไปย้ายไว้หน่อยเนาข้างบนห้องเรามีอยู่แล้วขึ้นไปเนะขึ้นไปก็ได้ครั บ, นนรบผมอยากได้รูปหลวงปู่ไปติดไว้ที่ห้องพระนะครับรูปหนึ่ครับูปหลวงปู่จะไปหาเห็นไห ลูกอะไรก็ได้ะไปใส่กองกางอืมคือคือถ้าไม่อยู่ี่ทานอ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ขึ้นไปห้องไปหาให้ไม่ได้กล้องมดไม่ได้กองมาไปถ้าอย่างนั้นเราก็จะขึ้นไปร้อมกันเราจะไปหาให้โอ้เนที่วิ่งเบนที่วิ่งเนที่วิ่ง ที่ข้างคาวเขาจมาขีบินพุทธสมโภชโกถ้ามิงใช่ม้ำงปูอใช่ใช่แต่ถ้ำผามิงเพราะว่าท้ำผาข้างคาวใช่ไหมค็มีถ้าอยู่ถ้ำหนึ่งชื่อว่าถาบิงถ้งผามิงทัถ้ามิงก็คือถ้ำาบิงคำว่าบิงกับพวกภาษาภาคอีสานเรียกว่าบิ่งเออแล้วก็พวกภาษาภาคกลางเรียกว่าข้างคาวแล้พวกภาษา ค่าริษานเรียก2องสออย่างเกียร์ดังวิ่ก็เรียกเรียกิ่งก็เรียกภาษายารการข้างพาวอันเดียวลุงกูหลานแล้สอข้างไม่ปูถามหลานดีไีมอืมดีมากดีมากโอ้โตมากเท่สารคามว่ะกูโม่เลยค่ะฮะกูม่เลยเห็นต่พวกต้นห้องวานลุกูอานาด ให้แด้แหละสิให้ได้ชั้นทุเลาแหละแตน้เมือ่เมื่อไหร่เดือนตนอะไรเอนนอะไรวม่ใมาตั the ้งแต่ตัวนู้นก็้ปลูกันมเดอนนู้นึ่อตัวิเขาเราบางท่านจิงเาน้องเขาบอกตั้งเลยครับตัวม่นําแมน้ำพวกน้องเข็มตัวบ้อผมมาแต่บ้านนี่ไง มาเว่านมานอนอยู่้านอยู่เพือนเป็นอะมาเรเยเนไปรงบานรู้ไปไปยาร้าน้านเป็นหนวแต่ยังสิเมื่อเอื่นกับรงเร่อเรื่อ้นก็หนักัวห่่ยังว่าเยอะกินข้าว้ยกินตัวอะไคุณผู้ชายเมื่อคารุ่ทุ่งน้าดีเป็นนิว เนีここここここ the ่ยเขาโลดไเรื่องนขาโลดนู่เาวัดสามอันเป็นผู้สวดบานะผู้ดน้องใครได้หรอน้อเป็นมันสามเดือนน้อพสาวก็มาเ่าก็มาหายเดี๋ยวนี้น่ยขั้นรู้ผู้ไปหตุยังไงมันติทีแรกมันหนาวมันหนาวแล้วพูดแล้วเอาชงยามาอบ เราอบเรามันห่อนเราเลยตอเลยตัวตลงไปให้รักแน่นรับอืมไม่ขาดเนรับไปให้เพื่อเป็นกินพาห้องก็บื้องได้น่จังให้คือเขาเอามาแทะเขาเอามาแทะไห้จังให้คือแล้วเอาเก็บปยายอันพี่ด้เลยเก็บปยายอันว่าไปกอาขึ้นไปจะถูกอาขึ้นเนอะนั่นอย่างนี้เลยการก็พยูพยูเด้ พีว่าก้ะคกระเซียมาเอาานมาลงไปลอดีมากล่อากระพานดูหันลงกรานดูกอนนั่นเงผมออขกสร้างไม้ครับอุดสร้างไม้โดนครับนั่งนเอ้ตสารสา้าไปพ่อกยังไรนึงือนจับจชกันลอ มอ้องไฟ้องมันเาะก็คือไอ้เงาะห่านก็เปกิดช่วก็บช่วเดียเนาะ้านนั่นเองเนาะร้านห้องไฟห้องมัานมาสนาหองไฟห้องมันมันเห็นตะกเกียบอกะกรเกียยุเกิดนึกว่าพราเหแล้ว่หน้ามันนีันต์ยุเกได้หอันนี้กับขหมูเองที่ขอพาลงพูด ฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮาฮึฮึฮึฮึอึฮึฮึฮึาเฮึฮึฮึฮึอึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึึฮึฮึฮึฮึฮึ ก็ตัวถังัตัวััตัวััตัวััตัวััตัวััตัวััาวนร้านกันดีใจเราอ่ะอืมเมื่อตัวท้านีนต้วมึงเนี่ยล่ะันไนบ่งไปยนนัน เออไมอยใช่่ไเรื hmm> ่องยนมีอยู่ยังอยู่อ่ะเออขยันเสอขยันขี่เนี่ยสมเปนงานดำดำโอ้ยไปกูจะไปถี่เดีวต้องเนงานดดไอ้แขนไหใหญ่ยิวันหูเข่าเนาะกัน้บอกเขาได้ไปเห็นยังถ้าประมาณเขาก็เขาเอ็ดอันหูยูอันตลาดนี่กอยขึ้นหแล้วกลัวสันโอ้ยอันั่อิตาเลียมันิดอยัง เข้าเข้าพัน์ประมาทมันนแนว่าอย่งหินมาเห็ดเลยโอ้ยมันมันยอดันแลไวนเทาไแกก็งดใจมุตโตแล้วถึงถึ้เขากคือ่ามันจีเห็ดจรงนะมุคือเขาสะหามาได้ไม่ได้เห็ดได้ทีเดียวนี่ยเห็ดได้แล้วสมมตคือฮันยักจิบตีมัใครเขาบอกเขาบอกอะไรสูสูดอกลงมาตัวอันที่หินนั่นส่งปูนซะว่ามันบอกคือกูเขาก็เรียกว่าเฮ็ด ก็สีอ่มันจะข้นากัไอี้มันจะขึ้นห้าวไหวเยสีอยู่นี่สีละห้ขาหางแงควานั้นเนี่หรอเห็นว่าลกฉันเสน ก, ก้งก้อมทอดี่มันบะขึรูปคนเขาเยาอย่าามเหมือนเห็นจะสีเหอ้นะบัคับนห้าเพราะอะไรอเฮ้าหุบเรืเ่องมันเนนขเา้ไขเาไป แป้มันก็ให้เห็ดโตโตรัวขวดรัรู้ว่ากรือพาะมันคือ้กอะไรนี่เขาแตมาแต่เราคนร่อบอกมันจะิสักเก็บแหมอันนี้เดี๋ยว่าดังหโกโมกแล้วมือมือย่างเงี้ยสกสิมือหอบวัสดยาเี้มือของกออแล้วเมื่อมือย่าวโศกรค้ายสิมันก็ม่คืออะไร มันบอกคือายลูกเยอะอันอันลูกเขาเฮ็ดไอันจ้นลูกเขาไทายมันจบก็จบก็คือเฮ้าอยู่วซอันลูกไทยอันลกพ่อแล้วเห็นครับเนี่อ้ยกเสียละ divided? โอ้ยใ <households Beatles phones> <ça> <differentiate> ช่ไหมไหสน้อะยิบอกเขาบางหลายเอามาทุก <playful> ท <çoc Kings> ุบขุน <Tell> ซ่าันนอ ข้าวอะไรกลอนว่าเรา่ชปุ่นอะม่ร้ว่าอะปุ๋นไรบอก็แล้วตาอัพกเครือเตลอดเอาไปให้มันนักงเออเนี่ยเขาตอกพอกน้นอะไรกันตอกยังตายเหรอคงณบอเข้ามาไรเอามาทุกโซ่ปุ๋นก่นเนี่ยเด็ดปุ่นีล บม่เออเรื่อเนยออเนอันใส่กระมอมมันเขาก็ถือว่าเห็ดไข้รูปปั้นเขาลมราท่าเขาบอกว่า่ะไรอันต้มใส่กระมอมันกระต่อันอันหาอันน่าน่าายั้ไม่ใส่ไข่ยังไงอะไรก็เป็นใส่ไข่ยี่ยุอะไรนี่เปใส่อะไรอุบยุงออก ยาเาโอ้ a, a, broken, ือไนาเป็ทุกแล้วมันปล่อยพนธพานไเหมือกันเนาะพ่ปมเ่ามจฉก่อนอยู่นี่มิจฉ่อนบอกโตกว่าคนนจะค่อนปบมาเล่าองเจ้าเนาะเ็ดหรอเช่านี่ โอ้ยเจ็ดสิแปดสกครับพวกนันอ้ทุกคนองเะุกคนซออโอ้ยแปเ้อเออสี่เป็นแล้วเนาะอะแปดสามแมเงี้ยสองเปดสาเออเป็นหาเนี่ทีนี่เงืออปปมเศ้าเนี่ทาเลี้ยหงจักข้อไม้ปอนีจักข้อไม้แล้วหรืออืม สี่แยเมอั่นบานหงมือแรกใเจ็บที่ยอดออกไหมหนึ่งฮรีสตเองฮ่าหน้ามันดอกถือเหนเรถือตัเงมมติมันต้อนมันดลอกถือฮาสมันกระดางมดกรด้งบ่อบนดกลนดกนั่นแหละบนเด็กกระดง หน้าม่เคยรับอะไรเลยมีปัญหาว่าร้าเน่นไอ้ที่หลังถ้เน่นผู้ใด้ส่วนความผ่อนเมื่อสิ่งนี้ว่าเรื่องของฟังของมั่นนะครับทำไมไม่ Hail, เขาบอกว่าหาเกียวกัน ียไฟไแล้วหน้ามันอยู่คนละไฟเนี่ยพระกับนาบ่ทาพระเสลแต่เรือกมันเหลืองอ่ะเป็นนาท่าพระนเหลือง เงาเราเราขันเราคนาทหลังอ่ะอย่างเือเาผมบอกผนบอกเงี้ไม่หรอกมันมาทังกระเปื่อยหรอกพวขาเป็นอ่ะพราัตุ้มอ่ะมันเงาดำางไปเลยขันจะมาหันอ่ะยังตุ้มนั่ง่างนี้ตุ้มอะไรหายหมดแล้วตุมหลังหลัง่อนิดนก่งทั้งขัน มันมันเกลื่องไม้เท้าเป็นตุม้มเป็นตินโลกขะ้ามันเป็นหัวจับมันจับผ้าไปเหรวโลเอือ้อมเข้าไปน็อกกัน หลกเจะหลกเก็บหลกตายเพราะเหลอกต้องปลุงเพระคนที่จะาช่งบอกร่างกายเนี่ยมีทุกข์มากมีโกรมากบาดเจ็บต่างๆต่างๆที่ร่างนี่แลกวคุโรโคหลกเนื้ตาเน้อาโลกโคหลกนื้อหูขนาโรคโค โลกให่จมุกมุกหาโลกโคโลกแห่ลิ้นมุขาโรกโคโลกแห่ปากท่นตาโลกโคโลกแห่ฟันชหาโลกโลงคโลกแห่ลินอาญาโลกโคโลกแห่ทะพกายทั้งห่วงโลกปากโลกม่วงคอ โลร่มบ่าหมูโลกร่มสีขึ้นบ่าหมูหงสีรงมด่งตั้มพุทธังหลกเรือนท่านโัวหลกผีทีนาโัโหลกากหนกม่งขคอโะลุลลทธังชายเชเสื้อ้าเทียงไข่เสื้อไข่เปียงกระดู เวามเสีบเกิดขึ้นจากดูแลูนามเสีบเกิดข้นจากเปลี่ยนเื้นที่อรบด้วยทังเวยควาเสีบอยากขึ้นเรื่ียระหว่างข้อกำน้ำใสสามารถเป็นโรกเรื้มนอกจากนั้นโรกสีดในผอมโรกเขาว่านักโรกภขาว่านเบานถ้าคนในร่างกายเนี่ ผมว่าคือดินยะอันนึงมาเกิดอยอันนี้ก็เกิดใ น, น้ยูนิเอบอืนนออะไรตายก็ตายยหันกเกิดเกิดยุหันอนรัวห้าพวงทางหายจงพังหนาบักายเนี่พราไม่โทษเลือกอาที่นวะฉันย่ญญาฉันย่าแปลว่าก้นจำอาที่นวะแปลว่าไม่โทษ อายเม่โทษมากโทษมากมูโตัวางไหนก็พึ่ง้นาร้พระอนุ่นเลยโอพรชีมานนุนนะฮู้ฮู้ของพระชด้มานนนถุดแก่ดเย็บสูดสายคนพระชิีม่านนุป่วยพระองค์เจ้าแล้วให้เงียบขันาคิบเปนประเทศนะพระ ยินดีมากนั่นฟังอนิ้จาสัญญาจําเริ่มพ่งมาเสียงาสะกดละกายหรือว่แทงแท่งางสถานละปวงทุกข์ขาสัญญาพ้นบรรทุกวม่ทางสถานละปวงสงสถาที่มีแต่ข้องเราบ่มีแค่ข้อง อาณาสัญญาพวกมึงยังไงบังคับปัดหน้าของพระเจ้ญญาปวงให้แต่ละธาอันนี้ถาพลาออกถ้าพลาดได้ถ้ากล้าใกล้ถ้าอันนี้จ น, น, น, น่าคดกัตันอาทียมาสัญญาพวกมันโทษแหงพรอคนร่ากายพนกมันโทษแห้งกรคนละโวนมาแก่ละเกียรติตาย ข้าทัญญาความชิ่นกำนัทในโลกข้าพวงในสังขารข้าปวงนี้โลกทัญญ์ยาความรับให้แก่งในโลกข้าปวงในสังขารโลกข้าพวงมานจะเป็นอื่นนอกจากทุก อมโมยหนีใน่หรอก้าพวงพ่วงหนาเบื่อนายในโหรอกขาพวงถ้าขัดจํามาลูกข้าพูดจรจังถ้าขัดานขึ้นแกหน้าเนอะวิจัยมู้โตจะหายกมเพิ่นในวัฏสงสารวิจัยฮ้องโตรบะมันเท่าจะหายกลมเพิ่นในวัฏสงสารเนี่ยิจใจมู่โตฉันลูกไก่พันนี้พาน แล้วรับเพิ่านะวะจ้าสงสารได้เุเจ้าปวดหัวปัู่ผัวเน้พานอนันตเป็นตัวศีนอนันต์เป็นตัวสมาธิอนันต์เป็นตัวปัญญาวนสมาธิหัวตรสมาธิหัวตรพอหน้าเขาไปแล้วเงียบอ่อจ้อนไปพัยู่มันกาลังเขาเลยถอนออกมาถ้า พม่าสีบางยางพ่อหน้าขับรถเนี่ผเห็นนิมิตทั้งหายเห็นเที่วบุษเที่วราเห็นพวกอีกมะพุ่มเห็นพย่อมะกาญจะตรวลขวานทั้งสียืมเห็นแสงเดียดแสงเดือดดาวยือฝั่งืโโโมฝั่โต้อะไรมาเหอเรืออากาศหรือพ่อหน้าประทังยืนกับนี่พ่อหน้าประทาง น, างางงนั่งทั้งนั่งกับนี่นักแสดงให้เห็นมันเสอาพิธีหานม่นพม่อหน้าหเห็น จะฟ้องนั่นหล่ระปกติมันกาลังจะฟ้องออกมาคือการทัณฑ์ท่ำชั้นนี้ขุนศรสั้นนี่บุญชั้นนี่บุญพรวนาชั้นนี้อย่างเงือนไงอนาจอะไรกังแบบนึงเข้าไปขบไปเลยยิ้นเสียงนิดเจ้าจะมันอยู่ขบไปเลยยิ้นบริกรรมพราวนาพระวนาเขาไปมันกาลังจะบ้องออกมาอีก เหมือนเรามานรับ้นพักนะพักเชียงไอ้หักก็น้าคื่องไงเสียวกันเน่ยเนอเรื่องคนถอนออกมาหง้าขึ้นมาหรือว่าจะกันคือรถนะมันเดินหลยมันเมื่อยลลยพักบนยาเครื่องันห่อนนะครับน้ำมันเอาน้าเนี้ยใส่มันนะครับแล้วยุดหง้าไปยุดยวนมันเติมที่พัก เดินท่าม้าทึ้นที่กบได้กบไปอีกขณะเช้่อกันหัวจะยุดิยุตในสมาธิอยังมาทำในงานวัดหลวงพ่อฝนในวัดตาทองสารกรบได้อีกออกมาพิจารณาอีกออกพิจารณาอันนี้อาาาย่างทุกครั้งงานกาจักรล่ะคนจังเสียบใน้ร้างวารมหน้าข่างบุร่มบุลาร่านคชีเรือซ้ำเเผาขา ม, มหาสมุทรทะเล เรื่งองสมพ่อไงมีเสาใบที่ไงเสากระโดงไงก็คณะว่าเอากาไปเลี้ยงเอวกาไปเลี้ย ง, ออยงขี่ไปทุกข์กวนไปขึ้นหนึ่งสองขึ้น ก้อยกาเพะสิเพอาะพาะสิขามทะเลมื่มันติดม่มันติดที่สายลมอบฟังขามรัดใต้ทะเลสมมติเสียรับชาวปร ะ, ท ะ, ทะเทศอังกฤษก็มาหาสมมติอินเดียเรื่องกาะกาบินไปท่านไหนให้จำไว้เอาท่านาห้ข้อมังกาต้องเก็ว่งกา ข้ากาปกับมาจับซอสกระโดงเอียงหนึ่เดียวว่าใกล้ฟังแล้ววะกกท่านเพราะกาเนี่ยจาคิดดีแค่ว่าหลงนะท่นากามันเห็นฟังแล้วมันมาๆแล้วท่านมันก็มีค ว, วาฟังเลยวะท่านขันมันยังมาจับซอกระโดงนี่แล้วอยกวากอภัใกล้ฟังเน้อวะท่านบุราคุณวานนั่นไ้นคัอกันพวกพี่ผ้ า, าห่างนาวในวัดตาทองศาลอันนี้ ขันยังว่าท่านเดีคนทุกข์แต่พี่แกหน้าทุกข์เพราะเขาลงมาให้ใจเขาออกขันว่าท่านมันท่านมีญาตเมาเบือนายพี่กนาทุกข์ทงนไม่จางงานไมตาเพราะเขาลมาหใจขอกหลัพี่ากหน้าสั้นๆถ้าข่วงลงก็ข่วงทุกข์ก็ขวงของเาลงมาให้ใจขาออกขันมันเห็นฟังแล้วมันถึงฟังแล้ว่ากันเนี้วออกพรนิพพานมาเป็นอารมณ์มันมีงานิมาเบือนายข่าม่อไว้วแล้วต้องสามั่ากันเนี้วออกพนิพพาน มโนหลงกบุญหลงมาเถียงร่ของมันเพราะว่าคือกามันเห็นสร้งงานมันก็มัขึ้นมามันถูความไป่พุ่นเนี่มันขึ้นมาคับพ่อกระดวงอีกพระพุทธเจ้าก็สอนอะไรอว่างเงี้ยสอนจากพ่น่ะก็เกียกิจกรรมมันวาฟังมีธรรมะธรามลึกเนาะธรรมะสัสของคนทุกนวตกานศนี้ธรามาในขั้นต้น เป็นเียนเปนผ้าสอนให้ทมอหารอย่างด้ท่าที่ชอบคนชางีเงนที่ง้าอบายมุทุกข์เดหเียนชโพระเจ้าทอเป็นเนียนยกไจะงเืออยงนถึงมเนีย้ากมาทรงเสือ้เนียนทังอบายมุกข์เวน่นกแลาทต่างๆมาคือกันข้กางเสกัน ถ้ า, าทำมาหาหอย่างซีนีน้ถ้าที่ชอบทำเรื่องต้นทำเรื่องหนึ่งว อ, เอเงกเรื่องสูงเรืเ่องมางเรื่องทำมาหาเรียงซีเรื่องพ่อหน้าสั่งโจวหนึ่งว่าวันนี้ว่าทั้งเรื่องทำมาหาเรียงซีนี้ถ้าที่อบซีเรียกวาสัมาอาชีโวมสมาสิธิคนเห็นชอบนิสามาสังกะโปนนคนอมเียชอบ นังรีเนี่ยออกจากการมนังรีเนี่ยอานพระพราบาสลบเดียเดียมพม่าว่าจาว่าจาชอบเพื่อจะให้ท่านนักาสินทรหน้าธรรมะอี่างชีจิตติใน ท, าท่านจะสอบเหนือวัฒนพมาว่าจารธรรมากำมันโตการงานสอบเพื่อจกขาสักาการประพฤติธรรมธรรมาอาชีวะเรียงชีวติตสอบเพื่อเอ็นเะนเรียงจิตใน ท, าท่านจีพิิตเรียงชีวติตในท่านท่าอบายมุขเหียอวัตถุที่พิจิตทำลายซัก นี่มันข้างห้คไับเดี๋ยวเิกพระพุทธศาสนาสอนแยกค่ายดีสุดบ่ไมีท้ข้างชื่อพระพุทธศ า, าสนาจอกช่ช่วงพรน้ามาโลกก็วิธูกปนพู้นแกงโลกเข้าจีเสบเกมกันได้กระชางนา้ำไร้ายรับกระพันไร้กระต่มก็เอาก้างพระพุทธเจ้านมาเล่มค่ะ พูดทเก่าสอนก่อนเน่ยยังส่งพระน้าว่าสัตยางสัพยัญชนะนั่งเดี๋ยวรับผิตนั่งบริุทธดข้างพ่อมย่างประกาศเสีบริบุษบริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยทั้เ่องต้องทั้งตาต่างไอ้ชื่อรถไม่ยอมบาติแก้สอนพระกับสอนบริสุทธิ์สอนแน่นับสอบริสุทธิสอนฆราวากัวสอบริสุทธิ์มู่ฆราวาสตเวว่าจบวชท่อขมว่า มุตโตบวชเป็นข้าเป็นที่เป็นข้าวันแล้วเขาจะไปเปินทบศิลป์น้าไผ่ไปท่นเขาบอกว่าเขาไปิป็นทบศิ์ที่นํานแล้วไปท่นมตโตบวชสร้างมุตโตรักษาเสี้ยนหาสีแปรทั้งบ้านทุนทามหาเรื่องที่ได้สร้างที่ก่อแล้วค่าขายเครื่องทหารจับตาอาวุธเนอะแล้วค้าขายมารถแล้วคาขายทหารเครื่องทหาร จะขายค่าขายรับเส็แล้วเนี่ยซับที่ตัวขาเพื่อเป็นอาหารจะข่าขายน้ำเมาจะข่าขายอย่างนี้เนอะตัธรรมะหาอย่างเชื่ที่ท่างไปสอบเนอตัวดาบันพระธาาม่นี่นาคาม่อาหารมูโตสาได้สามารถได้เพื่อกันกับเพาะขมเนนะตัวระเน้นนั่นมันในรักฆนวัตแล้วตะโกนผมแล้วพิเพลิดเขาแล้ว ต่อมาพู้เล็กแข็งก้อกกนหนักกระโน้มนี่าจารยมันจังสืบสมฐานะขอเขากินพระพุทธเจ้ากณนประพฤติทาเขาขเขาก็ไม่ใกินแล้วอาจารย์ของโตอาศัยเขาวัดคว อ, อย่างเสื่เนื่องหรือผู้อื่นจนทงทำตัวเขาอย่างง่ายก่วนาส่วนเนี่ยนัพระพุทธเจ้าสอนวัดวันนี้พระพุทธเจ้าว่าสอนเรามีแพยตกางจากขึ้นหาแล้วอาการกิริยาอะไรของสมณะ เราต้องทํ า, าการการกิยาในนั้นความเลี่ยงชยีของเราเลี่ยงด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้ขเขาเลี่ยงง่ายอาการกายวายาใจายอย่างอื่นที่เราจะต้องทําให้ดีกว่านี้ยังมีเยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ตัวของเราเองที่เตียงตัว เ, เองโดยสิ้นได้ไหรือไผู้รู้ใครควรแล้วติดเตียงเราสิ้นเราได้โดยสิ้ น, นไม่ถ้าเราทําให้ถูกเราจะตั้งค่าจากของรักของข้าวแกั้งนั้นเรามีาม็นกรรมของของตัว เราทำดีจะได้ดีเราทำชั่วจะได้ชั่ววันคืนล่วงคือวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เราพักอยู่บ่อหรือเราผ้าหัวหน้าอยู่บัดนี้ไอ้กวดเจ้าของเสมอเ ส, สมอเ ส, สมอน้ำเสียงมือเส้นบินเทบาร์ดหัวจ้าวบ้านพวกขาเจ้าสไทร์บัสไตร์คันบ้นแดเนขาเจ้าบัสไตร์ยักษ์สุยนืนมันโมโตนน่นอนนวดมันมันคือเฮ้า ขันมัานแรข้าเจ้าใส่้วเขาไปยืนขันบ้านแรกข้าเจ้าค่อยใส่ยืนขาเจ้าพรท่านกบบที่ตามยืนทาขาเจ้านี้เขาพอใ่แ่จะไปยืนเขารำคาญนะขันอ้าจักนีสลัดตื่นขบาทจักผู้เขาสีห์ไอู้เขาสีห์พะห้นี่เขาไปยืนเขาสร้างผู้เขาสห์ไ้เก็ยืนเขาพรท่านกับทาเขาแคว่าจัม sì, ือนี่เขาคือส่ง คือว่ท่านชงวูม่พูวูเ uh งี uh ้ยนิวซานเขาบอกเขาเหลองพืชอ่งองจ้าหลอกช่องเขาหาเขาแทงอยู่นั่นแต่แยกสุขีโกงและกะสีกะาเขาแนี้ยมาสั่งไม่มาแตเขาบอกเป็นตำห่าเาเบ่งบันอย่างเขากองจ้าวลอกมาั่รับตัวมนังอัดกับแกะมันเห็นเน่ามันกัดกตาไม่เอ้าอยางกั้นกับดอกมาสั่งอันนั้นจะยกสุขียืนาั่พระพุทเจ้าสอนไว้เวชกันสุนีอ่อนหรอกไปโรดมั่นว่คือเฮ้าเนี่วผมโตมาั่ อนเ้าเนี่ยเขาเอาขิงอมาใช้เทากับกเคียดได้เลอันจมูโตอนั่นเขาเอายางมาใชวัดถึงกัมพูชาแลนจิุ่เขาต่างบ้านนี่เว่าเขาประมาะโตแลนวสิอันนี้พระพุทธเจ้าสอนวดเนี่ยจกตอผ่านอุปคมาบ่ากาเทาแล้วสอนผแล้ว น, นี่กเขาล้นบอกคนจังไรมาใกาบ้านเท่าแล้วจูนีปจางมันหนีขอแท่วัดส่ เข้ากระด็บสู่มากครั่นหัวเงี้ยเดี๋ยวลูน้อยผูน้นึงนั่นนางยนเขาอยู่ครับท่นผู้ผัวเนี่ยือก้เนเหลืองใส่ครัผู้ผัวผับนางแท้คุท่ามาเะนางผิดหลังนคุนทา่าเข้าผัดไปพิดปกติแน่นน ม, นนมึอนั่นนะท่านคนมารอขอความข้าไปกรบพาะอรน่นสองกนเมื่อเงียนี่ ย, เ, ยเห็นผัวเคยแทบบาดอยู่ครับท่น เลี่พระองค์เจ้ามายืนใี่้างลัวเนี่ยนี่หนท่าหัวเนี่ยเนี่ยก็ทังนาเขามาออกมานอกสิเนี่ยเห็นผัวเห็นพพทเจ้ามายืนในทางหผัวเป็นกนเหียใสพระพุทธาสนาสนเนี่ยเห็นพระองค์เจ้ายืนยิ้มร่วงสิเลยบุยปากนะพระองค์เจ้านี้แต่ว่าเอ่นขั้นขั้นพวกรวมเนี่ยมัน ก็จะเอาอาหารพวกจอนู่นี่ไปใส่นี่มือนี่มันมา้าพิดปกตินี่าสันเนี่ยพอดีกันรันกูจะบอกว่าขวักูคาบอกขวักูเนี่ยพวกกูจะเอาของพวกนี้ไปใส่บากูจะฆ่อาหารนสั้นแล้วบอกแล้วบุยปาแท้พพุเจ้านะพพเจ้าเฮ็ดขัขัน่บอกไปพระเจ้าบอกไปงั้บอกปลาบุยอีกทางโเนี่ย่บุยปาปลาทั้งหมนี้ ไอไปต่ออีกเร่าตนเองครับขันส oh, ียดเมื่อน้ำันยางพระองค์เจ้าขันยางพอเย็นดกว่วาพระองค์เจ้าหัวหัวไม่งั้นฮนี่อดเมียอด่ไรที่ฮะนี่เกลยดขัแต่ว่ากันเนื้อหัวกากาคาคืนทานเี่จหัวหยั่งนะ่นว่าัก หลังขึ้นโอ้ยพอจะอามาเยอะทีตั้ ม, มันไรไว้ท่านอยข้าว่าเจ้าไปแล้ววะท่านคอยจังว่าจะเอามากินอาหารห น, านี่วะท่นถามนั่นคอยเกี้ยวอาหารพวกกินยู่นี่ใส่บาตรให้พระองค์เจ้ากินได้บุวง่อวะ่ น, น, น, น, นเนี่ยเขาเรีปลาปานเนี่ยโอ้ยห้ามันกระเรียบมันเปรี้ยว่านคือได้เอายังไงกินห้ากะเทีว่านแบบแบบแกเนื้อน่าสังเสียอยางวะท่นเนือมนเหนือเสือ พวกเสื้อดาวเสื้อเหลืองเนาะก็น่มาเหน่างูมาสั่นตอนพักเขาก็จไหนพักทุกชนิดเว้นไว้แต่มันไม่ตัวบ่งนองกันจเก็บออกมาสั่นอันนี้ถ้ามันบุดมันเ่าไรเขาก็พ่กกินมาสั่นมันบุญบรเอาเขาก่พกกินลูกของเป็นเด่นเขาก็กินูกขันมีผู้สักข้าให้เขาก็ั่นพระองค์เจ้าว่าก็ขนอนี่ขนสบาให้พระองค์เจ้ากับ เนี่ยสี่ทีร้ายพระองค์เจ้าได้ยื น, ยนด้วยฮะเอาความเทศก็ขาดเพร่าพระเจ้าพระองค์เจ้าได้เทศเอายืนเทศเอาเ ท, ที่เทอเผื่อทั้งเมืองแต่ถ้าแต่ถ้าเนี่ยหัวได้พระอานาคามีเนี่ยเจอพระสวดาบวันนั่นเกินกว่านั้นงในทางทศว่านั้นห้อยเจ้าเขาไม่ ร, มม ร, มมรู้ว่าเราบังบงง่ยวนเหรอเล่นบ่ห้องวัดพานกว่านั้นเนี่ยบริพานรัตนพระองค์เจ้าเลย ว่อาต๊นองนาะเนาะี่อมันสิงนั้นขึผู้ไรอ่ะคือนผู้ไรพือจะพู้เพือเพื่อคนอร่อยวาสิางหจะกนบลอกหรือบ็ือคบ็ือหรอเปล่าไ่บอกือหรอกนั่นวนนั้นได้พงเจ้าพานุักมาจังได้มาสอนหมูหอข้าหมูหอย่างยังคนก็เอากอร่อยหมดละทำอาหารคนกิดอร่อยแล้วบําบดมะน้วที่ถึะร ที่เา้าขาวี้ทำให้อนทางกัเกี่ยมยางน้าอันนั้นกับโนี่ทํานอนเพราะกูเสื้อไปอ่ะสองอ่านอนผูได้นั่งเป็นก็เรียกว่านั่งเลยถึงพุ่นมาพุพระธหหรือนั่งโบวี้โทษบวี้เดือดผู้อื่นนอนกเกันนอนพราหน้าแล้วกว่านอนเป็นยืนเดนนั่งนอนรับตื่นคิดใจเมื่อนืกไปทั้งเบเบียนเรียกว่ายืนเป็นนั่งเป็นนอนเป็น ไปเป็แปลว่ายืนว่ามันยืนเบียดหอนยืนว่าพี่บ่าเบียดเบียนผู้ใดว่าเบียเบีอนตัวลราผู้อื่นเพิ่มนักเมคิดบ่นักคิดเบียดเบียนผู้ใดนับจะผ่านหน้าที่บาทอาทิตย์หน้าขาไม่เมือช้าสุราเป็นต้นก็เรียกผู้นั้นนึกยื้ในเสียนเรียกผู้นั้นยื้ในพิชกิจในข้ามอะไเนี่ยเรื้องต้นเขาว่กพุทธศาสนาอะไรเนี่ยอะไรสินหาว่ามันของขี้ไ้เอผู้ใดผู้เทียบขาเทวินไม่ให้ร่างให้คอยเปิดสินเปิดตัดาบัน พัดวารักทรัพย์ว่าพิธกรรมพระโสดาวันว่าเสียดายอยากวงละเมิดคาทรัพย์ว่าเสียดายจกต บ, บยุ่งผุ้พบยู่เจอสังค์นั่แนแหละกินีแหง่นดหกินดีพระโสดาบันนั่นแห้งนั่นแหละกินดีแห้นอ่นนับบรบว่าเส้นขวาว่ีเส้นนี้เราทางเลยธรรมะที่อย่างเสี้ยจะสอบเนืทางเร่องกำขวาทางวัดกำเบือ บวกท้องหวยั้ามพนนทุกชนิดช่วงไกลตีไกลแขงมาาแขงเรือวัมีนะเพื่อน้วกโทษละวันถ้างให้สิแพ่สิชนะสมบัตนวดเดียวกัดกันกมบูรณ์ร่องคะแนนรังขอข้อระคับท่าให้สิแพื่แพ่อสิชอต้อยมวยกันนี่ก็ก็ได้๋รองรังอนัโทษละวันมาฟังมายินดีฟังหอดครับหอ่ำหอดข้ามเพลง สิบสิบเป้าเขียบยุ่มตปลูกเว่นเขาเขาพรดาวันพระชดาวันฆ่าว่าทุกยาพรดาวันท่ว่เขานี่ทุกอย่างปูกเว้นเขาพ่อยธะท่านกับเนี่พระมัก็ได้เนี่ยก็ได้สิบจิปเนี่ยท่าไก่สิบสอง้ยี่สบเี้ได้กระรดาวันระชดดวัน่ว่าโมลวมรกระด้กัพ่อยเนีแสดงอาวัยู่นี่างสังข์ม้ไก็อัปปนาวาต่พ่อยเนี่ย โมเสียดายอย่างก็เมื่อรักษาศีลอยู่ศ้นในรักษาพระโสดาบันโมเสียดายอยากคือศาสดาอื่นโมเสียดายอยากสู้ ข, ขอเหลาขวนว่าค ว, วัญถากขจะโปรงอยู่ให้ไข่หมาอยู่หน้าคอมให้มาหอดมึงนี่ยังจันทรงสีบ่บันเดียวมาแล้วขวัญเอ้ยพวกวันเดียวแล้วเดี๋ยวนี้สายผูกแขนบ้เนี้ยคือเหลือดีงามดีงานได้ดีมัดกับเขเอ็ดดี ก็มีก็ซวยยุคก็ใจว่าจะยุก็บินฝ้าอากาศนี่พระโสดาบันนอกลงมาหนีใจเฮ็ดดีแต่ใจใจเขาดีตอนนั้นใจเฮ็ดชัวตอนนั้นใจเขาอ่อนไมพระโสดาบันลงมาหนีถือพระพุทพระธรรมพระสงฆ์พระโสดาบันกบว่าต้องเฮ็ดหูมาแข็งข้อแข็งมาให้ใจร่อยวางสันวายขึปิ้นนามาทางไหกระชงก็มีแต่รื่งถงผู้โทษทำโม่ทปินนาคนูก็วันวายจนไม่เว่าเนี่ยวายพระพุทธโลกเนี่ย เลยเป็นท่องเป็นสายหญ้าวายก็ไปซื้อว่าตัววายสี่ิตสี่ปูนวายเผด็จพระกุ้ของคนนะท่านนั่หวายพ่อวายแม่ก็ไปซื้อว่าวายผีเย็บปวดมากไปซื้อว่าพ่อแม่มาเห็ดซี้สายข้างแดงมาไปดูหม้ดูหม้อบาไปหักหม้อหักหม้อว่าผีพ่อมาเห็ดผีแม่มาเห็ดผีปูพีงาพีปลาพีรุ่งผีอยู่สูงเทวดายู่ฝ่ามาเห็ดไม่ได้ว่าไ่ได้ตูบนี่อยาเขามาฉีดถึอถึถงว่าส่ข้าพเาวน้าพโต้ นั่นคุณพระโสดาบานวานประตูวัพอรแอมเอลปูญาฐาน่ายโมเฮตุลประเทศอะไรพันทักษิตายเลยนี่ที่ทำาป็อุทิ่ห้ในพ้นนี่ด้านชีวิตฮะพวกฮัตตพวกทรัพย์มาโดยทางที่ชอบแล้วหนึ่งเรียมตวิด h a r นาบุตรพนยาบาวไฟหันเป็นทุกข์สองเรียมพื่ออนสูงหเป็นทุกข์าบบัดอันตรายที่หเกิดแต่เหตงจ่าง ทีาทำทีให้ยาคือพอยาที่ทีเฉพาะยากเพราะทีิทีต้อนรับแขกเ พ, พราะผู้ที่ไปทีสมุนูุทิมาผู้ตายมรับทพีถอยเป็นหลวงมีเสียขาก่อนเป็นต้นเทวตาปีสมุนตุทินาเทวดาวริจากทานในสมภาพ้าวฮะะเงื่อนหาข้ามมาในข้มบริพุทธเนีทีนี้แน่ว่างพอแม่พระพุทธเจ้าสอนหนึ่งท่านได้เลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านต่อ สองทำศิลปาของท่านสามนำลงรดน้ำปูนสี่ประพฤติตัวเป็นคนกรัญญูมรดกข้อห้าเมื่อท่านรองรับไปแล้วสมูลลงที่ในท่ารองรับลูกได้เนี่ยอ่ารองรับพอรับแม่หนึ่งห้าเมื่อทำคนชั่วสองให้ตั้งใจความดีสามให้ศึกษาศิลปวิทยาข้อสี่ห้าภรรยาเลสามีที่สมควรให้ข้อห้ามอบทรัพย์ให้ในสมัยพระพุทธเจ้าก้อนหนึ่วดหน่วยในพระพุทธเจ้าประสอนตรงนี้ น….าละวางหัวเขาม่นยาพราะพุทธแกสอนไหนึ่งด้วยแล้วก็ราเป็นว่ิยองไม่ดูหมี่สามด้วยไม่ไปพึ่ง่วงใจสี่ด้วยมอบความเป็นใจให้ห้าด้วยให้เครื่องแต่งตัวลอรับหัวลองละมยากให้จัดการงานดีกลวงพ่อคนข้างเคียงของคัวดีคนข้างเคียงของคัวมากกว่าหลวงพ่อไม่น่าแต่กให้กินไม่อยากเอามาให้สุกไม่เอาเอามาให้กิน แม่ไปเพู้อล่วงใจผัวห น, นึ่งถึงวรักษาทัด์ที่ผัวหามาได้ไว้อนนบอกโกงใช่ันไม่เกียวบคานายกิการทงพวงอันนี้ก็บอกโกงเลยถวยกระเพาพาเขากระเะเท่บันกรมเาถึกราะอืมชวนผัวกขาซือกันเป็นนักเลงยิงเป็นนักเลงูลาเป็นนักเลงเรียนการพ่านันก็ะ่าถือผัวเนี่ยสลาย เรีว่าประพฤตร่วงใจเมียผัวประเดี๋ยวสู้ก็เมียกระบะหางมวีเมียประเดีสู้ก็ผัวกรบะหางมอวี้เจ้ามาในมือละลานกับกรบะหามอวีว้ของหลวงจตุเจ้าสอนทั้งสองท่านไหนจะมษษาสอนเด็กสอนหลวงเจ้าอยู่เียห้อยนอกจากผัวตัวหนึงสียงงามย่อยหยาดหยาดด้ยกระบ่กับบอไปลวงละเมิดนอกจากเมียตัวกับผู้สันบอไปลวงละเมิดเพราะเข้ารบ เขาเรากับที่สุดนี่ย่อนเมื่อรักขอเรียนสู้รับหลังกันทีนี้ไปปีหรสองปีมาทังเนหาข้ก็สร้างมาั่งเดือดร้อนละเมากันไปหอบ้าอุ๊จะตามกลับคึนนมายังดีือเกาซ่ไปสร้างอุ๊บหยิบตังไดไปเสียหน้าสมาก็เสียเมียแม่บอกช่วงหากต่พาะว่าซื้อต่อกันละ ทำมาแล้วผัวสองเงินเยอมากผูเียดีเอาไปให้สู้ซ้ำไปเที่ยวเรียนซ้ำนี่สั่งคำนี่อันผัวผู้บดีไปเรียนบอกเรื่องนี้้าพมดนี่เมียค่อยจีนี่กับผัวองเงินมากนี่ก็อันเดียวกันนี่เขาจะเล่นเขาจะแจสอนเขาแน่ไอ้ประท้อมดีไปพูดที่เจาสอนเจวสนไม เป็นเป็นอาเซียครับ เ, เป็นคนจ้างงานเขาลูกกล้องเมตตาลูงานอาลุมากมาเหา็ดไล่ไล่วันพอดีเนี่ยครับ เ, เหือนรับจ้างพอดีหนึ่งจัช ก, การทํางานให้ทําตามควรควรแก่กาลังสองว่ให้อาหารในรางวัลสามวพยาบาลเวลาเก็บไข่ เขาเกียวเขาไข่เขาเบิ้งเขาแนงเนี้ยคราบแบบปวยเขาก็กเอาไปร่มพยาบาลเอาไปเลยในส่วนงเงินเดือนพวกใคเขาแล้วเลยเดี๋ยวถ้าเขาจะปวยเอารักษาเอาเอสภาวะเลเื่องพยาบาลเวลาเก็ไขเรื่องแกของในวดแจกขานให้กินะไรใน้องแปลกมากไปนั่เขากินเนี้ลกงานอะไรก็จกินจ้โตเรื่อปลอยในสมัยพักเที่ยงพอดีวันาดีวันรุกงของการปฏิยนาสกัดในงเขาอะอันส่วนพวกงานเนี้ะ ลกขึ้นทำทการงานก่อนนายเรื 91, ่องการงานที่รังนายถือเอาแต่ของที่นายให้ทำการงานให้ดีขึ้นนำางินของนายไปเสด็จในที่้นนั้นถือเอาแต่ของที่นายให้คุณละค้อนรับจอบรับเสียมรับรับนี่เป็นมืออะไรเล็กน้อยอันนั้นมักกว่าเฉลิมคพหน่อผู้ผู้ที่เขาสอนว่ยอันนี้อันนี้เป็นก แม้วัฒนพระโดาบันพระโสดาบันเป็นโตทของพุทธศาสานาท่านสอนพระพุทธเจ้าเป็นโล ก, กุตระบนโลกที่โล ก, กุตตระสัมพัท